ธรรมชาดกแผ่นที่ส0ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองกุมภาพันธ์ 2,557 มีชื่อเรื่องว่าพรมทันันะพระทั้งหมด30รูปสัมมเนนหนึ่งรูป พระลงมาฉันยี่สิบสี่รูปงดฉันเจดรูปที่ไม่ลงมาจันก็ภาวนาของท่านนะในวัดของเราท่าจะวาไปแล้วเป็นสถานที่เหมาะมากมันที่กว้างขวางทั้งพันกว่าไรถ้าใครอยากจะภาวนาอยากจะเร่งความภาคเพียนหลบไปอยู่ทางหลังวัด จะไม่ให้เห็นใครเลยก็ได้นั่งภาวนาทั้งวันทั้งคืนเดินยองกลมตลอดทั้งวันทั้งคืนได้และทางเดินยองกลมเป็นถนนข้างในเป็นถนนคอนกรีตเอาไม้มา ก, กั้นเป็นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เดินยองกลมไม่มีใครผ่านพุกผ่านอีกต่างหากเวลากลางคืนกลางวันอาจจะมีอยู่บ้าง สรุปแล้วก็คือที่วัดมันกว้างได้เปรียบหรือได้ประโยชน์ในการจะบำเพ็ญจิตภาวนาสำหรับพระกรรมฐานหรือว่าพระทุดงหรือว่าพระที่ตั้งใจภาวนานแต่ถ้าว่าตั้งถ้าพระคุยกันเนี่ยก็ลำบากสักหน่อยเพราะมาันอยู่ห่างไกลกันเดินไปหากันลำบาก <laughs>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 นำความรู้สึกของตนเองออกดังนั้นอ๋อเดี๋ยวกิจท่านเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวฉันนั่นเดี๋ยวฉันนี่เดี๋ยวมีโทระนั่นเดี๋ยวมีธุระนี่อันนั้นแปลว่ากิเลสนำเราะนั้นพวกเราให้สังเกตเราจะนั่งภาวนากี่ชั่วโมงวันนี้ต้องมีความสัต์จริงเรื่องทางอื่นกับเรื่องอย่างอื่นเอาไว้เอาไว้ก่อนเราจะไปถือเรื่อง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 รัฐบาลเขาให้เลือกผู้แทนรัชดรแต่บ้านเมืองคราวนี้ครั้งนี้เลือกการข่าวนี้รู้สึกว่าไม่ปกติเท่าไหร่ที่หลวงพ่ออยู่วงนอกอยู่ในป่าดงพงไพยนะได้ยินข่าวรู้สึกว่าบ้านเมืองไม่พร้อมเพียงสมัคคีกันเท่าที่ควรแต่ตามไม่จริง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 เข้ามาเท่านั้นแหละเห็นคนอื่นดีทนอยู่ไม่ได้แล้วก็คนที่ดีดีจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องต่างคนก็ต่างพิสูจน์ตัวเองถ้ามีแต่ว่าเขาอิจฉาตัวเองอิจฉาตัวเองตัวเองทำเร็วยิ่งกว่าอะไรจะไม่ให้เขาตำหนิเฉลยก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วท่านให้ให้มองตนเองว่าข้านี่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 คนที่เลวก็มีในหมู่มากนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ถือว่าใครหมู่มากจะเป็นฝ่ายชนะไม่ใช่ถ้าใครเป็นภารชนโจรห้าร้อยมันก็ต้องชนะที่บัณฑิตนักปลาดไปคนเดียวก็มีแต่พวกนั้นเป็นโจรห้าร้อยพวกที่ห้าร้อยมันก็ต้องชนะแต่ว่าเพราะพวกห้าร้อยนี่นแหละเป็นผู้เป็นธรรมแต่แกเอาเงินมา เอามาให้เขาเออนี่แหละอันนี้ก็คือเราก็ต้องคิดว่าโจรห้าร้เนี่ยทำถูกต้องไหมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เราไม่ได้ตาหนิใครเราตําหนิเท่าว่าความเป็นธรรมและความถูกต้องเออความมีเหตุมีผลเออความเป็นธรรมอยู่นัดที่ใดไม่ว่าคนมากไม่ว่าคนน้อยไม่ว่ากลุ่มไหนถ้าคนมีธรรมคือหลักเหตุผลอยู่ในจิตใจแล้วนั่นแหละถูกต้องเออ อย่างในครั้งพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าให้สิทธิ์พระสงฆ์นะเวลาเข้าประชุมสงฆ์อย่างนี้พระ ส, สงฆ์จะประกาศนี่นี่นะลงมติอย่างนี้นะสงฆ์เห็นด้วยไหมจตมาตุลพีเอวะเมตังธาริยามิถ้าสงฆ์องค์หนึ่งยืนยกมือขึ้นมาคัดค้านข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยในที่สงฆ์ลงมติทั้งหมดเนี่ยท่านไม่ว่าเลยครึ่งเลยไม่ชอบ่า สงห้าร้อยสองร้อยห้องค์สองอยห้องค์เนี่เห็นด้วยแต่ว่าตกไปไม่ใช่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นละ่ะพระห้าร้อยองค์เดียวเท่านั้นคัดค้านข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยในสงสี่ร้องค์เนี่ยที่ลงปฏิกันเมื่อกี้นี่แต่นี้พระสงฆ์ทางหลายก็หยุ่ดล่ะแปลว่าสังฆกรรมทําไม่ได้เพราะว่าองค์นี้คัดค้าน องเดียวคัดค้านแต่ได้สงทั้งห้าร้อยกดเรียกองนี้เข้ามาเอามาชี้แจงที่ท่านไม่เห็นด้วยเนะี่ยมีอะไรนะท่านที่เห็นที่ท่านไม่เห็นด้วยนะมีอะไรที่ท่านจึงไม่เห็นด้วยชี้แจงถ้าองนี้ชี้แจงงูปะปาไม่มีเหตุไม่มีผลแบบข้างๆคู่ๆใช้เตทิฐิมานะดันทุลังไปสงประกาศเลยท่านสงประกาศเนี่ย องนี้เนี่ยท่านชี้แจงไม่เคลียร์ชี้แจงไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมสงประนามอย่าทําอีกนะถ้าขืนทำอีกต่อไปนะี่ยไล่ออกจากสงปรับอบัติเผอเผลอจะปรับอบัติสังขารทิเศษสูงมากเลยทเธออย่าทําท่านอย่าทำอย่างนี้อีกทําให้เสียเสียการปกครองท่านพูดไม่มีเหตุผลเลยนี่ท่านพูดอย่างนี้มันมีเหตุผลยังไงสงต้องชี้แจง ในมือชี้แจงในจังดันพลังอีกครั้งที่สองครั้งหนึ่งสามเลยนะท่นนี่อภัยเหเลยไม่นับเรื่องเขาเป็นหมู่ของสงฆ์พระองค์นี่ทําให้เสียหายนี่แหละการปกครองในครั้งพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าปกครองสงฆ์ท่านให้กฎระเบียบอย่างนี้นะอย่างพ่อชันนะก็เหมือนกันที่พาพระพุทธเจ้าไปบวชนาะยชนะขีม่ม้าพระพุทธเจ้าขีมา่ม้านายชนะเกาะหลังมา้าไปถึงแม่น้ำมโนมาไที พอบวชพระพุองค์ทรงผนวดที่แม่น้ําเสร็จแล้วก็ฮะเอาชนะเอามา้าเอาเครื่องประดับของเรากลับไปแจ้งให้พระบิดาพระประยุรญาตได้รับทราบว่าเราทรงผนวดแล้วไปกลับไปชนะชนะก็เป็นลูกน้องนี่ยอืดอาดอ่อแอร์ไม่ได้ว่าเจ้านายสั่งเพราะเจ้านายสั่งคําไหนก็คํานั้น นายชนะก็ได้หอเครื่องประดับแล้วก็ขึ้นขี่หลังม้าขันตะกะเออกับไปทางเก่านะเออพอขึ้นไปแล้วก็มา้าเออย่าคิดว่าจเจ้านายจะขึ้นไปด้วยแต่ที่ไหนได้ไม่แต่ชนะนั่งคนเดียวม้าแต่มา้มาเทนั้นก็ออกไปพอวิ่งไปพอรับสายตาสิทธท ะ, ทะเจ้าของเท่านั้นแหละม้าก็ คิดถึงเจ้าของเอาทำไมมีแต่ชั้นนะนั่งอยู่คนเดียวเพราะม้าแสนรู้นี่ใช่ไหมฮะพระนิสูรก็เลยม้าก็เลยรละลึกถึงคิดถึงเจ้านายหัวหัวใจแตกทำลายแ <c oughs> ปลว่ามา้า <c oughs> ตัวนั้นก็เลยตายตายในในตรงนั้นที่รับตาพระพุทธเจ้าที่ตัตาสีตถะจากนั้นชั้นนะาก็คงจะได้แต่เครื่องประดับแล้วประแสงดับ ก็คงจะเดินด้นดั้นตามที่ที่ทางมานั่นกับเวียงวังมาแจ้งข่าวว่าสิทธัตถะทรงผนวดแล้วที่แม่น้ำอโนมาณาทีในกรุงเขตแขวงกุงราชจะคืบน่นกลับมาพอพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่หกปีท่านก็ได้ตัสรู้เป็นพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจา้าจากนั้นท่านประกาศพระพุทธศาสนามีพระสาวกเยอะแยะทีนี้มีอ克拉สาวกโมกคลาสาลิบุตรพระอาณนเจเนียร์พระทั้งหลายก่อนเคารพนับถือเ อ, อยกพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูพระพุทธองค์ก่อนเนี่ยตั้งพระสาวกองคนั้นได้รับเอตทะคะทางนั้นองค์นี้ได้รับเอตทะตะคะทางนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้ ว่าง่ายซ้อนง่ายออจิติมหาสาวกแปดจีบรูปเนี่ยที่ได้รับเอตตะคะได้รับความยกย่องจากพระพุทธเจ้าแต่นายชนะปอมาทั้งกระบวดป่ะนายนชนะที่นําพระพุทธเจ้าไ ป, ปบวชพอบวชเข้ามาแล้วทตนี่พระองค์ก็ไม่ได้ตั้งเอตตะคะอะไรแต่นายชนะเนี่ยอไปเห็นใครกันเนี่ยอวดจักดาเลยแต่นี่พระชนะเนี่ยพวกท่านทาั้งหลายเอ องค์นั้นเป็นข่าเป็นโมกฆราเป็นผู้มีฤทธิ์มากเนียข่าเป็นสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากเลยรับเอะจากพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปบวชใครเป็นผนพานําไปข่าไปเจ้าเนี่ยั น, นะเนี่ยแหละเป็นผู้นําไปเออั น, นะอดสักดาวากันชนะก็ด่าองค์นั้นด่าองน์นีน้เหมือนกันไปว่าพระไหนแล้วแถวนั้นเน่ยไม่มีใครที่จะสู้หน้าั น, นะเลยปากากล้าเฮ่า พระองค์ก็เรียกมาชนะเธอจะไปพูดอย่างนั้นอันนั้นเป็นกัลยาณมิตรของท่านท่านบำเพ็ญมาในอดีตชาติเราจะได้ให้ตําแหน่งนั้นนั้นเธออย่าไปทําตนอย่างนี้ไม่ดีเป็นอริเป็นศัตรูกับพระเทระเหล่านั้นเป็นบาปอกุศลนะบาปนะเงียบไปไม่พูดแต่พอเพอเพ อ, เ พ, อพูดอีกด่าเอก เออพระพุทธเจ้าก็ยอมแพ้มันกันนะแพ้พาลาชนแพ้คนเก่งเหมือนกันเถอะพระพองค์บอกว่าดูก่อนอานน์ดูก่อนสงทั้งหลายดูก่อนอานนนในเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วให้พวกท่านทั้งหลายลงผมมทันให้พงลงพมมทันกับชั้นนะาถอพระอาโนนก็ถามว่าลงผมมทันนั้นทำฉันไหนพระเจ้าข่าเออทําอย่างนี้ น, น, นี้ครับผมแต่เมื่อพระพุทธเจ้าผลิรรนิพานแล้วทีนี้ พระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าท่านอ น, อนพระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างก่อนที่จะปรินิพานพานนท์ก็บอกว่ามีอยู่สองสามเรื่องที่เรื่องใหญ่คือเรื่องหนึ่งก็คือพระองค์สั่งว่าพระธรรมวินยัยหลักพระธรรมวินัยที่เราบัญญัติไวนะ้น่ะมันมากเกินไปและยุ่มหยิมเกินไปพระวินยนะัยเนี่ยถ้าว่าสงฆ์ทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันจะถอดถอนวินัยซิกขาบทไหน กฎหมายข้อไหนหหพูดง่ายๆก็ให้ถอดถอนได้ที่ลงที่สงลงมติกันแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือให้ลงผมผมมาทันกับช น, นะในเมื่อเราผ่านไปแล้วเดี๋ยวนี้เร า, เราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าช น, นะไม่ยอมพูดน่ะพระพุทธเจ้าก็ยอมเหมือนกันนะยอมคนเก่งเจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็เรียกพระช น, นะมาเลยชนะชนนะ พ, พระพุทธองค์สั่งว่า เมื่อเราตถาคตปรินิพานแล้วให้ลงพรมมทันกับช น, นะบัดนี้พระพุทธองค์ปรินิพานแล้วคณะสงฆ์พร้อมแล้วจะลงพรมมทันกับท่านนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสงสวดประกาศนะนั่งเป็นเป็นร้อยเป็นพันนั่งสงสวดประกาศเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านช น, นะที่พาพระพุทธองค์ที่ตามพระพุทธองค์ไปทรงผนวดก็จริงอย่างที่ท่านช น, นะแต่ว่า แต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านชนนะนะจะด่าองค์ไหนชอบใจองค์ไหนจะด่าองค์ไหนจะดูถูกองค์ไหนจะทำอะไรองค์ไหนทำได้ตามสบายด่าได้ตามสบายสงอนุญาตให้ท่านทำทำได้แต่ประกาศให้สงด้ทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสงอย่านับเนื่องว่าชนนะในเป็นหมู่ของเราปอให้อิสระ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 เออพอลุกขึ้นมาได้บวกข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะยอมต่อสงขอให้สงว่ากล่าวตักเตือนเนี่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเออเหมือนกับสงทั่วๆไปสงเลยประกาศอีกทีนี้อ้าวันนะเขายอมแล้วขอให้สงทั้งหลายรับรู้รับทราบร่วมกัน ให้นับเนื้อว่าช น, นะเป็นหมู่พวกเพื่อนของพวกเราตามเดิมอย่าไปลังเกียจเดียดสรรทันนะนี่แหละจากนั้นพระชั น, นะก็ไม่หนานท่านก็บําเพ็ญภาวนาของท่านอท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันมันกันนะอแต่ทิฏฐิมานะช่วงนั้นไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนี่แหละในพุทธศาสนามีไหมสรุปแล้วทิฏฐิมานะอย่างนะั้นอย่างประเทศไทยอย่างทุกวันเนี่ยมันมีไหมมีอความอิจฉาของช น, นะ เออว่าองค์นั้นยกพระพุทธเจ้ากอกนั้นองค์นี้ลืมตัวเออชนี้ก็เหมือนกันในประเทศไทยของเราในช่วงนี้คือคือความอิจฉ้าอิจฉาตาเหลือกันทั้งที่ไม่อดไม่อยากอาหารการบริโภคอุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินแต่คนในชาติอิจฉากันอิดชากันอย่างที่พวกเราเห็นไม่ใช่อิจฉาธรรมดาถึงฆ่ากันได้ดูดูแล้วมันหน้าทุเรลทุลังถ้าเปรียบเทียบกับ หลักทำคําสอนแล้วขาดเมตตาต่อกันตามไม่จริงต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีเมตตาต่อกันต่างคนต่างทํามหาเลี้ยงชีพอันไหนผิดอันไหนถูกใ น, นประเทศไทยส่งไปเรียนหนังสือต่างประเทศปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาไม่นลูกกี่แห่งสอนคนให้เป็นคนดีสํานึกไม่ได้เลยว่าอันไหนดีอันไหนเลวถ้าหาวันนึกไม่ได้อันไหนเดวอันไหนดี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 บริสุทธิ์หมดหม ด, หมดจดแล้วอย่างพระอรหารเนี่ยท่านมองดูท่านแล้วหมดที่จะแก้ไขเพราะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจแหละหมดแหละไม่มีทิ้งจะจริงจะแก้ไขแล้วอันนั้นคือความบริสุทธิ์ถ้านอกจากนั้ น, นมามันก็ต้องมีเดี๋ยนี่มองตัวเองเราคิดดีเรื่องเราคิดชั่วเมื่อคิดดีหรือคิดชั่วแล้วมันก็ต้องออกไปในทางการกระทำํำถ้าเราคิดไม่ดีเราโมโหให้เขาคิดไม่ดีฮ เออบางอย่างน้อยกับตาเขียวหรือตาเขมงไม่เป็นมิตรกับใครนะเพราะตาออกไปทางตาจากนั้นก็เนี่ยคำพูดออกไปต่อจ น, นั้นก็ออกหัดออกมวยเออใช้สัจธรรอาวุธอะไรวเนีนเพราะอะไรเพราะมันคิดไม่ดีซะก่อนจากนันพูดออกไปกับพูดไม่ดีอีกอด่าคู่ด่าคนอีกดูถูกเหยียดติยำเขาอีกสรุปแล้วก็คือคิดไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีทําออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดีถ้าคิดดี พูดออกไปก็พูดดีทำออกไปก็ทําดีไนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้มีสารานีิจะทําทําเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเรียกสารานิจธรรมมีหกอย่างท่านสอนพระนะอแต่เอาคราวญเอาไปใช้ก็ได้ไม่เห็นผิดที่ตรงไหนเอาไปใช้ก็ได้คราวาญแต่นี้ท่านสอนพระท่านว่า เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยขนขวายดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีธุระการงานที่เราจะช่วยเหลือได้ทางกายให้ค่าแ่บทางบริคองบริคาร้านอะไรก็ตามเข้าไปช่วยตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งวจีกรรมคือการพูดแนะนําสั่งสอนองค์นี้ ยังไม่มียังไม่รู้ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรือว่ายังไม่รู้ในเรื่องนี้นเข้าไปบอกกล่าวเออท่านอย่าทําอย่างนี้นะรู้อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เราเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมว จ, จีคือคำพูดเข้าไปตั้งวจีกรรมในคําพูดสอนภิกษุสมมาเรนรที่เพื่อนกันทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็เข้าไปตั้งมโนกรรม ตั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนภิกษุสัมมาเนนใครเข้าบอกมีเจตนาดีต่อเพื่อนภิกษุสัมมาเนนแล้วก็รักษาศีลบริสุทธิ์ให้เสมอเหมือนเพื่อนภิกษุสัมเนนอื่นจะให้หมู่เพื่อนรังเกียจ ต, ตัวเองว่าตัวเองย่อหย่อนตัวเองทําไม่ถูกทําผิดกฎระเบียบแล้วก็เป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกับเพื่อนภิกษุสัมมนเนนอื่น คือทิ่ิคือความเห็นเขาเห็นอย่างหนึ่งตัวเองเห็นอย่างหนึ่งมันก็เข้ากันไม่ได้เหมือนกันอันนี้ให้มีมีความเห็นเสมือนภิกษุสามเณรอื่นอย่าไปเห็นแปลกแตกต่างถ้าไาเห็นแลกต่างเราก็เข้าไปศึกษาเรื่องถามด้วยเหตุผลทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหมูทั้งหลายเห็นอย่างหนึ่งตัวเองเห็นอย่างหนึ่งแล้วหมูเห็นผิดตัวเองก็ต้องไปถามต้องซักไซรลยเรียงเพราะพูดกันได้ พระมีกายกรรมวอจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาแล้วนะและก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนพิกษุษสัมเนตอื่นไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวนอันนี้ถ้าหากว่าคนเราที่อยู่ด้วยกันมีอติเลกลาบมาหรือว่ามีสิ่งของเมาเอออย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปเอาลัดเอาเปรียบคนจนเกินไปก็แบ่งเฉลี่ยกันเพราะคนในชาต สมควรที่จะได้รับเฉลี่ยการแบ่งปันถ้ามีศาลานะีย่ยจะทำทั้ง6ประการเนนะอยู่ในชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นก็มีแต่ความเจริญเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตารักษาศีลรักษากฎหมายให้เหมือนภิกษุให้คนนนท์คนในชาติแล้วก็มีทิฏฐิคือความเห็นเป็นแนวแถวเดียวกัน แล้วก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมถ้าเรามาพิจารณาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลวงพ่อว่าพระองค์สอนถูกต้องสอนมาทั้ง 2,000 กว่าปีนะ 2,500 กว่าปีถ้านำมาปัดฝุ่นนำมาพิจารณานำมาใช้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างยุคสมัยนี้ก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นถูกถ้าใช้ธรรมะเหล่านี้นะ เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่า ง, งานั้นใชแล้วต่างคนก็ต่างหมู่ของข้ากลุ่มของข้าเอาก็เลยเนี่ยนะฮับห้ำหันกันด้วยวาทศัพท์ต่อไปกันะนะเอพราทศาพท์ก็คือคําพูดซะก่อนเอต่อไปก็ลงหมัดลงมวยนะ่ะเออใช้ของแข็งขึ้นไปเรื่อยผลที่สุดนะะมิค่สัญญีความจีบหายจะเข้ามาสู่ชุมชนสังคมของพวกเรา ได้อย่างง่ายดายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับพวกเราที่อยู่ข้างนอกอยู่อย่างพวกเรานี่แหละให้ได้ใช้ความคิดเราจะอยู่ในชุมชนสังคมใดก็ขอให้ดูดูไข้ควรทบทวนดูอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรก็น่าจะเอาปฏิบัติอย่างนั้นนะเราปฏิบัติอย่างนั้นได้แล้วหลวงพ่อว่า เออความสงบราบเรื่องเรียบร้อยก็เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราแต่เดี๋ยวนี้มันลักษณะนี่เออหน้าห่วงสรุปแล้วก็คือเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงอแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันต่อไปนั้นก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันผู้แทนเรานี่จะได้บริหารประเทศหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันบ้านเมืองเป็นอย่างนี้สรุปแล้วก็คือความอิดชากันนี่ยนะความอิดชากันไม่รู้กลุ่มไหนตกลุ่มไหน เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่เนะีย่ยจะไปอิจฉาเขานะให้แผลเมตตาตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเทพเจ้าเหล่าเทวาอยู่ชั้นไหนที่มีอำนาจปุญหนักสักใหญ่ขอให้มองดูประเทศไทยขอให้ประเทศไทยทุกคนให้เป็นสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่ถูกต้องทำในทางที่ถูกต้องพูดไปในทางที่ถูกต้อง ด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีของประเทศชาติที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันทเทพเจ้าเหล่าเทวาท่านใดที่ได้บำเพ็ญอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยจะเป็นพระก็าตามจะเป็นฆรวาสญาติโยมท่านผู้ใดก็าตามบำเพ็ญและขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมขอให้ลงมามองดูประเทศไทยในช่วงนี้ พอประเทศไทยในช่วงนี้รู้สึกว่าวิกฤตเข้ามาอย่างมากทีเดียวอถ้าหากว่าเทพเจ้าเหล่าเทวาไม่ลงมาช่วยคราวนี้แหละไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นได้ไ ง, ง่ายๆเหมือนกันนะ เ, เพราะนั้นพวกเรามีแต่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจอย่างนี้แหละเอที่ท่านบำเพ็ญได้ประโยชน์หรือว่าได้บำเพ็ญบุญกุศลได้ประเทศไทยที่ท่านได้ดิบได้ดีขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมฮะ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 อยกลุ่มในชั่วมันชั่วทั้งหมดแต่หัใใใวใจของเราเราคิดชั่วเราจะเป็นว่าดีได้ยังไงบางครั้งเอแต่เราคิดดีเราจะว่าชั่วได้ยังไงเราภาวนาพุทโทธพุทโธพุทโธเนีลยมันก็ดีเลยสิใช่ไหมถ้าคิดที่มาโมโหโกธาจ ะ, จะไปฆ่าคนนั้นจะไปเตะคนนั้นจะไปด่าคนนั้นเราจะว่าดีได้ยังไงใช่ไหมมันออกไปจากจากใจของเราเอนี่แหละมันอยู่ที่ใจของเราออกจากใจของเราคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละคนที่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่ว มันมีอยู่ที่ทําให้เดือดร้อนวุ่นวายแต่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันนว่าใครเป็นคนคิดดีคิดชั่วอถ้าจะเอาพิพากษาอาการมาตัดสินก่อเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่รู้ว่าใครคิดเท่าไรต่อเท่าไหร่มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะพี่น้องศรัทธาญาโสมลูกลาม น, นะถ้าหลวงพ่อพูดไปก็ยิ่งไกลไปเรื่อยบ้านเมืองเนะี่ยเพราะมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดมันเป็นของพวกเราทุกคน ทาบ้านเมืองเดือดร้อนนะพระสงฆ์จ ง, งหัวเลาะแฮ่แห่แห่ยก็ไม่ได้สิพระสงฆ์อย่างลุงพ่อก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันนั่นแหะจะทํำยังไงจะจะช่วยยังไงให้ประเทศชาติล่มเย็นเป็นถูกได้มีแต่ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเท่านั้นนหะแต่เราจะเข้าไปชกไปต่อยไปตีกับเขาเท่านั้นนะเอ้าจะว่าอย่างไงลูกหลานเออยังไงยังไงให้มีเมตตาต่อกันนะลูกหลานนะศรัทธาญา จ, จมทุกหมู่ทุกเหล่า น, นะให้มีสัมมาทิฏฐินะลูกหลานนะ ใครผิดใครถูกรู้แก่จิตรู้แก่ใจของเราเอใครก็รู้นะศึกษามาขนาดนี้ปริญญาตรีโทเอกขนาดนี้ไม่รู้เหรอผิดหรือถูกอ่ะเอถ้าใครรู้ว่าผิดถูกยังไงให้ถอยถอยกลับมาซะอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกนะเราก็มีแต่แนะนําบอกกล่าวหรือตั้งจิตอธิษฐานเท่านั้นแหละลูกหลานเลยเอาต่อไปตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะทีนี้นะ